ขอความเจริญในธรรมจุมมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแร่รมปรโตธิยานได้นำเสนอเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดประการสืบต่อกันมาโดยลำดับก็ได้สรุปเอาไว้ในช่วงหนึ่งคือแสดงเห็นว่าอริยมรรคมีองค์แปดประการที่จริงก็คือใจสิกษานั่นเอง ก็เป็นธรรมะส่วนเหตุก็เป็นสารธรรมส่วนเหตุคือศีลสาร ะ, รราระจิตสาระปัญญาสาระส่วนผลนั่นก็คือตัวยานที่เรียกว่าวิมุตติยาทัศสนะวิมุตตก็คือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส และวิมุตติยานทัศนะสาระคือแก่นคือความรู้เห็นในการที่จิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่น่าจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคือตามปกติแล้วเราก็พูดผ่านๆ น, นะนั่นก็คือเรื่องขององค์ฌานแต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ย เพื่อจะได้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเวลาจเจริญกรรมาฐานว่ามันเฉียดเฉียดชาญไปบ้างหรือเปล่าข้อนี้ท่านอธิบายไว้ในอภิธรรมมัตสังหะนะครับก็ที่จริงก็เป็นการอธิบายพระอภิธรรมบิดกอีกทีหนึง่งเป็นการให้รายละเอียด าการประหานนิวร์คือการละนิวร์เนี่ยท่านเรียงมาเป็นลำดับว่าวิตกนั้นประหาทรหาทินปะหารทินมิทานิวร์วิจารนั้นประหารก็คือฆ่าทำลายนะฮะแต่ว่าที่จริงมันเป็นเป็นระดับสงบบิดีกิจนิวร์ปิติก็สงบพยาบาทนิวร์สุขสุขเวทนานะฮะสุขเวทนา ก็สงบปุทจปปัจากุกุจานิวรณแล้วเอกกตาก็สงบการชนานธนิวรณ์ทีนี้แต่ละข้อเนี่ยท่านอธิบายไปว่าคำวิตกคือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ในการทำฌานต้องสร้างบัญญัติอารมณ์ขึ้นเรียกว่าองค์กสินเป็นต้นเนี่ยหรือว่าดูลมหายใจเขาออกเรืออะไรก็ตามนะ ไว้สมัครให้จิตเข้าไปเพ่งให้ทั่วองค์สินนั้นเพระาะฉะนั้นการเพ่งองค์สินนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานที่กำหนดไว้เสมอจะต้องพยายามไม่ปล่อยจิตให้หลุดจากอารมณ์ที่กำหนดไว้ไปคิดเรื่องอื่นคือจะคิดเรื่องอื่นเนี่ยจิตมันก็จะไม่สงบ อากาจะตกไปสู่พวกทีน้มิทะอะไรตระไรไปถ้าขณะใ ด, ดจิตหลุดจากอารมณ์ที่เพ่งมันก็ชักกระเยาะกันไปในจิตคือทีน้มิท h a ก็จะเกิดให้ลองสังเกตใกล้ๆเราอ่านหนังสือเนี่ยไม่ต้องเอาสมาธิขนาดอ่านหนังสือเนี่ยพอเปิดจากหนังสือก็สะเป่งกละง่วงอนะ่ะก็จะเป็นส ม, มถกรรมฐานก็มีลักษณะอย่างนั้น คือถจิตมันหลุดจากอารมณ์ที่เพ่งหรือไปเหนียวนึกติดนึกถึงเรื่องเราอื่นอาการของทีนามิตะก็จะเข้าครอบงำหรือว่าอาจจะไปคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่นๆซึ่งก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะงั้นทีนามิตะก็คือสภาพที่ทาให้จิตบรหดถูท้อถอยจากอารมณ์ที่เพ่งหรือคลายความสนใจต่ออารมณ์ที่เพ่ง ขณะนั้นจิตย่อมตกไปจากองค์สินต้องยกจิตให้กลับมาตั้งที่องค์สินใหม่องค์สินก็คือดินน้ำลงไฟอากาศสีต่างๆเนี่ยนะฮะสีต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรส่วนมากก็ใช้ดินน้ำลงไฟนะฮะก็ดินน้ำดินกับน้ำเนี่ยรู้สึกจะง่ายที่สุดหลือพวกสีต่างๆง่ายแล้วก็ ขณะนั้นจิตย่อมตกไปจากองค์สินต้องยกจิตให้กลับมาตั้งที่องค์สินใหม่คือเพ่งองค์สินอีกจนไม่คลาดไปจากองค์สินฉะนั้นวิตกก็คือธรรมชาติที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์จึงทําหน้าที่ละถีนมิทะโดยลักษณะแห่งการข่มไว้ก็ เ, เรียกว่าวิขำพะระนปะหาร รือละโดยการข่มเอาไว้คล้ายๆกับเราจับศีรษะงูกดเอาไว้ก็ไม่ใช่กำราบแกได้เต็มที่หรอกฮะแต่ว่าถ้าอย่างจับแน่นอยู่งูก็กัดเราไม่ได้ก็เท่านั้นเองแต่ว่าเป็นทางผ่านคือการเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นทางผ่านไปตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ผ่านเราก็จะไม่สัมผัส แต่ในภาคปฏิบัติจริงๆต้องเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังเยอะนะะกว่าจะได้มันแต่สักข้อเนี่ยทั้งๆที่สงบจสยบกิเลสไว้ชั่วคราวไปกว่าจะได้สักข้อในสาหักสกันทีเดียววิจารณ์คือการไตร่ตรองเป็นการประคองจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งมุ้ยตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เพ่งแล้ววิจาร์ก็ทําหน้าที่ประคองจิตแม่ตกไปจากอารมณ์ที่เพ่งนั้นเจ้ตัวอย่างว่าเรา ถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเนะต่อไปก็คิดเรื่องพระพุทธเจ้าไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆไปเรื่อยๆตลอดระยะเวลาเนี่ยเป็นอาการของวิจารวิตก็เพียงแต่นึกถึงเรื่องพระพุทธเจ้าเช่นสมมติว่าเราจะสวดสาธยายพระพุทธคุณเนี่ยนึกจะสวดสาธยายพระพุทธคุณกึ่งหาว่อาอรหังสมาสุบุทโธเนี่ยนะตอนนี้ก็เป็นวิตุก แล้วต่อไปก็แปลไปเรื่อยๆเห็นอิติปิโสปกวาแมระเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า阿拉หังเป็นพระหันสา ม, มาสมุโทโธได้สัตดีสัรู้ชอบไปปรุงเองวิชาจะน่าสำปนโนทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาได้เจรณะสุกตสเสด็จไปดีแล้วโลกาวิฑูเป็นผู้รู้แจ้งโลกอนุตโรโริสธรรมสารถิเป็นสาระถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสาระถีอื่นจะยิ่งไปกวา่า ตถาเดวมนุษยานังสรงเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตรีเป็นผู้เบิกบานพระกว่าเป็นผู้ ม, มีโชคเป็นผูจน้จาําแนกแจกจ่ายธรรมเป็นผู้มีพระธรรมนั้นเป็นอาการของวิจารคือเราไตรตรองไปเรื่อยๆนะยาวไปเรื่อยวิตกมันก็จบแล้วแค่เดี๋ยวนึกขึ้นมาก็จบแล้วท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับวิตกเหมือนกับการเคาะระฆัง วิจารเหมือนกับเสียงโหยหวนของระคังจึงก็กินเวลานานกว่าวิตกนะวิตกแป้งเดียวนะฮะเแป้งแป้งเดียวเนี่ยก็จบแล้วทําหน้าที่จบแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของวิจารณในการไตรตรองการโหยหวนของเสียงระคังเรานั้นเพราะนเขาก็วิจารณก็ทําหน้าที่ประคองจิตไม่ตกไปจากอารมณ์ที่เพ่ง ถ้าเกิดความลังเลสงสัยขึ้นในขณะเพ่งอารมณ์ว่าการเพ่งอารมณ์ชนนี้นั้นจะสามารถทําให้ฌานเกิดขึ้นได้จริงหรือเมื่อความลังเลสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยการประคองจิตให้ตั้งมั่นในอารมณ์ก็จะเสื่อมคลายความน่ายในการประคองจิตก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติจําต้องใช้วิจารณ์ในคอยประคองจิตให้เพ่งอารมณ์โดยปราศจากความลังเลสงสัยแล้วก็พร้อมกับวิจารณ์ จำทำหน้าที่ขม่มความเครือบแคลงสงสัยมันเหมือนเราคิดอะไรหลานสังเกตว่าถ้ามันสงสัยก็สะดุดอคิดไม่ออกมันต้องพยายามขาจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปจากใจด้วยมันจะเป็นการข่มในแนวตรงนี้ก็ข่มแบบกดเอาไว้หรือขม่มเบือเอาไว้หรือสยบเอาไว้หรือจำนวนท่านบอกว่ามันเหมือนก็เอาศิลามาทับหญ้าเอาไว้ เป็นลักษณะของความปราบปลื้มยินดีเมื่อวิตรอยทาหน้าที่ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์และวิจารณประคองจิตได้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์แล้วเนี่ยก็จะเกิดความปราบปลื้มปีติเอื้อิม่มยินดีขึ้นมาในการที่สามารถทําได้เช่นนั้นขณะจิตที่กําลังชื่นชมยินดีอยู่นั้นความพยาบาทมาร้ายต่างๆนีย คือความโรกรธกับความยินดีเนี่ยมันอยู่คนละฝักกันนะมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ลองสังเกตว่าสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเราพยาบาทเขาเนี่ยพอเห็นเขาเราจะยินดีไม่ได้แต่ถ้าคนที่เรายินดีเนี่ยเราก็พยาบาทไม่ได้ก็มีแต่ดีใจที่ได้ประสบพบเขาเพราะงั้นพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ธรรมคือธรรมะที่เป็นขัดศึกต่อกันและกันควานหนึ่งเกิด ควายหนึ่งก็ตกทําให้อ่อนกะลังลงไปจนถึงกระดับไปเพราะไม่มีการเกิดร่วมกันแกล้ๆกับความเย็นกับความร้อนไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันความมืดกับแสงสว่างไม่เกิดร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันฉะนั้นปีติเนี่ยสามารถข่มพยาบาทเอาไว้โดยวิธีที่เรียกว่าวิขำพระนปาหานทีนี้อาการของปีติเนี่ยตามปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกัน มันเป็นเรื่องสัมผัสทางใจเคยศึกษาเอกสารที่ท่านรวบรวมคนซึ่งประสบปีติเอาไว้ปรากฏว่ามันมีตั้งเก้าสิบประางแต่แสดงว่าเราถ้าไปศึกษาสำรวจเพิ่มเติมขึ้นไปมันคงจะเจออีกเยอะนะฮะลักษณะที่แตกต่างกันแต่อาการที่ท่านแสดงเอาไว้เนี่ยท่านบอกว่าปีติความป ร, รักปรืมยินดีเอปีมใจนี้ก็ มีลักษณะอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งขุตกาปิติความปราบรื้มความอึบอิ่มความยินดีที่สามารถทําให้ขนในร่างกายเนี่ยลุกจู๋ชันได้เรียกว่าดีใจจนขนลุกนะฮะแต่พวกนี้ขนลุกไม่แน่บางทีก็ตกใจจนขนลุกก็ได้กลัวจนขนลุกก็ได้แต่ว่าตอนนี้เอาเฉพาะที่มันปรา บ, ร, าบรื้มอึบอิ่มชื่นชมยินดีจนขนลุก อย่างหนึ่งเขาเรียกคณิกาปิติความประปริมเออบอิ่มที่เกิด ป, ป, ป, ปั๊บปั๊บป๊บปับนะเหมือกนกระสายคว้าแลบแต่เกิดขึ้นบ่อยๆยิบยิบยิบยิ บ, ยบนะฮะเกิดขึ้นตามผิวตามตัวต่วางๆบนาะงทีเรารู้สึกคล้ายๆกระตกบางทีคล้ายๆกับเหมือกนกระมดบันไต้อะไรนี่นะเหมือกนกระมดบันไต พยายาบยึบยิบยึบยึบบบแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่มีมดอะไรเป็นอาการของปิติประเภทคณิกาปิติคือปิติเป็นขณะปกติกาปิติคือความปราบรื้มเอิบิมชื่นชมที่ซึมแผ่ไปเหมือนกับความเย็นที่แผ่ไปทั่วสารพางกาย บางครั้งมากจนกายมันโยกมันโครงมันไหวนะมันสายไปในด้านต่างๆ่อีกอย่างหนึ่งก็ได้อุเพงขาดปิติโลดผลพนี้บางครั้งมาข่าวตัวลอยนะท่านเคยเล่าว่าหลวงปู่เสาก็อาจารย์หลวงปู่มั่นนะถ้านั่งสมาธิแบบโลดผล คือพอเข้าสมาธิจริงๆเนี่ยเกิดปิตินี้ก็มันลอยเลยนะตัวลอยกันไปวรรณศแต้ก็มีความรู้สึกลึ ก, ลกๆกว่าตัวลอยแต่ก็ไม่กล้าลืมตาอธิษฐานใจกลับมาที่นั่งเดิมรือต้องการพิสูจน์ทดสอบว่าตัวมันลอยได้จริงหรือเปล่ากลางวันด้านก้อยเด็กเอาไม้ไปเสียไว้ที่เช่าคาของซาลา แต่วอดิาฐานจิตว่าถ้าลอยแล้วก็ให้ขึ้นแบอาไม้นั้นมาไปแต่ว่าตื่นขึ้นมาถึงนี่เห็นไม้วางอยู่ที่ตักแต่ว่าในขณะไปนี่ไม่รู้ตัวจะมีพระท่านเล่าคนข้างผาดโผลแต่ว่าไม่ได้พบเองนะคือก็เล่าต่อกันใม่อีกรอบหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านเล่าถึงโรคศีล์ของท่านองค์หนึ่ง จเจริญสมาธิโลดโผลมากเขาประเกิดปิติเขาลอยเลยนะฮะไปเลยไปคราวหนึ่งมันมันรู้สึกตัวเองว่าลอยแล้วกาหมดจิตได้ทิฐฐานจิตได้ไปตกอยู่ในที่ใดที่หนึ่งมันไปตกจิตยิ่งเนื้อเขาแห่งหนึ่ง็ใส่แสงจันทร์สว่างเนี่ยนะฮะมันก็มองเห็นร่องลอยของคนดูอาศัยมาก่อน แล้วก็ไปพบไอ้ตลับยาวางอยู่ก็รู้ว่าต้องมีคนมาผักเสร็จแล้วเขาก็ไปรูปอยู่ที่ไหนก็นั่งสมาธิอธิษฐานจิตให้ลอยกลับไปอยู่ที่เดิมพอกลับไปถึงที่เดิมแล้วแกก็ไปเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้อาจารย์กับขวัมอาจารย์อา จ, จะต้องการทดสอบก็ได้นะฮะหรืออาจารย์อาจจะเชื่อก็ได้ อาจารย์บอกว่าไอ้ตลับยานะ่ะเป็นของท่านเองแ้วท่านก็บอกว่าถ้ำมีลักษณะอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นท่านกิ อ, อยู่มาที่นั่นออวันหลังถ้าคุณไปได้จะเอามาให้หน่อยสิปรากฏท่านไปเอามาได้จริงๆเพียงแต่ว่าผู้เล่าเนี่ยคือไม่ได้ฟังจากปากของท่านแต่ว่ามีผู้ใหญ่อีกองคหนึ่งนั้นเล่าต่อให้ฟังอีกรอบหนึ่ง ก็เป็นประสบการณ์ที่ค่อนข้างแปลกๆ แ, แ, แต่พวกนี้ระดับสมาธิไม่ใช่ระดับปัญญานะถ้าระดับปัญญามันแน่อยู่แล้วมันไปได้อยู่แล้วเป็นเพียงแต่ว่าที่ข้องใจอยู่นิดหน่อยก็คือระดับสมาธิว่าไปได้โกรดโผลขนาดนั้นเพียงแต่เรื่องนี้เขาไม่ค่อยบันทึกเอาไว้เพราะว่าบันทึกไปมันกะเท่านั้นแหละคนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มี คนไม่เชื่อก็กระดาเอาคนเชื่อก็อาจจะประยึดติด ต, ต้องการจะให้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็จะไม่เชื่อมันก็เป็นการทำลายโอกาสของตัวเองว่าแหน่ตรงเนี้ยตามปกติท่านไม่เคยเล่ากันมีปิติประเภทหนึ่งเรียกว่าพารณาปิติคือมีความทราบซึ้งมีความอึบอิ่มแผ่ทราบสั้นไปทั่วสารพางกายนะฮะ เหมือนกับลูกสูบที่เติมเต็มลมมันรู้สึกเย็นแล้วก็เหมือนกับหลือภูเขาที่ห่วงน้ําใหญ่มันไหลงเข้าไปซึมอยู่แต่งน้ํามันขังมันเย็นทั่วไปทั้งหมดอ่นะเย็นทั่วไปทั้งหมดดึงในข้อ น, นี้เคยเล่าไว้ฟังใจสามัญญผลสูตรที่พระเจ้ารับสั่งแสดงแก่พระเจ้าชาติศัตรูก็รทรงอุปมาพวกเนี้ย พวกฌานทั้งหลายที่ปรากฏเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ก็อุปมาเหมือนกับในสามั ญ, ญพจนสูตรนะพิติเป็นองค์ฌานสามารถประหารพยาบาทนิวรณ์ได้นั้นต้องถึงขนาดพระนาปิตินะฮะคือถ้าไม่แผ่ซ่านไปจริงๆมันเอาไม่อยู่พยาบาทมันแรงนะฮะมันร้อนพระนาปิติบัญย็น มันต้องเย็นแรงมากพอที่อุปมาเหมือนแอ่งน้ําที่มันขังน้ําไม่ซึงเหมือนเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับกระบึงอะไรแต่ไรเนี่ยนะฮะที่น้ํามันเต็มแผ่ไปหมดเลยนะทุกส่วนของบึงนั้นก็ถูกน้ําทั้งหมดคือเย็นทั้งหมดจึงจะสามารถสงบความร้อนคือพยาบาทได้ เพราะส่วนปิตินอกนั้นอีกห้าอย่างเนี่ยเขาถือว่ายังไม่อยู่ในองฌานยังไม่เข้าในองฌานเพราะว่ายังมีสภาพที่หยาบอยู่แต่สัมผัสได้ก็ดีนะฮะถ้าสัมผัสได้บ้างก็ดีเพราะว่ารู้เดินมาถูกทางเป็นระดับจิตสิกขาแต่ว่าเอากรจริงภาคสนาที่ปฏิบัติยากนะแต่ละข้อที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ย ข้อต่อไปคือสุขนี้เป็นสุกเวทนาในองค์ชาญนะครับหมายถึงสุขใจหรือโสมนัตที่ขณะบริกรรมก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ประคองจิตตั้งอยู่ในอารมณ์นจนเกิดความปราปลื้มปิติช่นนี้แล้วก็รู้สึกเป็นสุขก็มีความสงบปราศจากความพุ่งสร้างรำคาญใจขณะที่กำลังเสวยสุขนี้สุกเวทนาจึงมีสภาพเป็นผู้เผาหรือขม อุทธจัจจ ก, กุุจจะคือความฟุ้งสั้นเนี่ยไม่ให้บังเกิดขึ้นเรนสุกเวทนาก็ชื่อว่าปะหานบุทธจัจจกุกุจจะโดยวิธีวิคัมพนาปะหานทีนี้ปตีติและสุขเนี่ยท่านบอกว่ามันมีลักษณะใกล้เคียงกัน ปีติคือความปราบปลื้มยินดีที่ได้ประสบกับอิทถารมณ์ส่วนสุขมีการเสวยอารมณ์ที่ได้ประสบแล้วก็เสวยอิทธารมเกิด อ, อารมณ์ที่น่าปรารถนานั่นเองเพราะปีติมีนี่มีในที่ใดสุขก็มีในที่นั้นแต่สุขมีในที่ใดในปีติอาจจะไม่มีในที่นั้นมันเหมือนในองค์จตุตฌานนะเราจะเห็นว่าในตุติยฌานอยู่ด้วยกันในปฐมฌานก็อยู่ด้วยกันพอมาถึงตติยฌานปรากฏ ว, ว่าปีติดับ ย่งเหลือแต่สุกกับเอกกตาก็แสดงว่าปีติกับสุกนี่ก็อยู่ร่วมกันในที่ใดมีปีติในที่นั้นก็มีสุขแต่ในที่ใดมีสุขในที่นั้นไม่จําเป็นจะ ต, ต้องมีปีติก็ได้นะฮะในตติยฌานนะครับเพราะอะไรเพราะโดยสถานะขององค์ธรรมจริงๆปีตินั้นเป็นสังขารขันแต่ว่าสุขเป็นเวทนาขันคือเป็นขันด้วยกันเป็นเป็นเป็นขันห้าด้วยกัน แล้วก็มีฐานะเป็นเจตสิกด้วยกันแต่ว่าอยู่คนละประเภทกันเพียงแต่ว่าอาการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเอกกตาคือจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวเป็นจิตที่ตั้งอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งอันเดียวแล้วชื่อว่าจิตมีสมาชิคือความไม่ฟุ้งซ่านในอารมณ์ต่างๆมีรูป อารมณ์ที่เพ่งอย่างเดียวมีรูปเสียงกินรสปุถะภาณ์นะรูปเสียงกินรสปุถะภาะแต่ปุถะภาณ์นี่เป็นภาษาบาลีที่แปลกจริงๆคือเรียกยากไม่สามารถจะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้เพราะฉั้นบางทีตังก็เรียกว่าสาัมผัสเรื่องราวที่เกี่ยวข้องด้วยกามากามกุณารมณ์ทั้งหลายเนี่ยจีตจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เพ่งอย่างเดียวเป็นสมาชี หรือความหยุดติ้งแห่งจิตดุดความตั้งอยู่นิ่งๆของเปลวประชีพในขณะที่ลมสงบเนี่ยจิตจะนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะสมาธินั้นไม่ซัดสายฟุ้งซ่านดิ้นรนไปสู่อารมณ์ที่ปรารถนาก็แสดงว่าอำนาจแห่งสมาชิเนี่ยหรือเอก ก, ะกะตาเนี่ยจะทาหน้าที่แผดเผาทำลายกิเลสก็ประเภท การมฉันแต่ว่าเป็นแนวของการข่มไว้คือสงบไว้นี่ก็เป็นอาการนะฮะเป็นอาการของของกิเลสและก็งฌานหมายความว่าพวกนี้ก็จะไม่เกิดร่วมกันเอ่อที่ได้มีนิวรณห้าคือการมชฉันพยาบาททีนามิธาอุตจากกุกุจจาวิจิกิจานั้นในที่นั้นเนี่ย ก็ไม่มีฌานนจิตไม่มีวิตรวิจารปีติสุขเอกกตตาแต่พอปีติสุเกเกวิตรวิจารปีติสุกเอกกตตาเกิดครบเนี่ยนิวรณ์ทั้งหก็ดับไปครบเหมือนกันแต่เป็นการดับได้ชั่วคราวซึ่งโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เรียกว่ากุปตธรรมคือมันกําเริบได้มันเปลี่ยนแปลงได้ก็จําเป็นที่จะต้องพยายามปฏิบัติพัฒนาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสัมผัสความส ง, งบได้ลึกซึ้งจริงๆนิวรห้านั้นมันเป็นกิเลส ท, ที่มันกลุ้มรุมใจเขาเรียกปริยุตฐานกิเลส ท, ทั้งฟังลองสังเกตว่าใจเราถ้าเราดูให้ดีถ้าไม่มีกุศลมันก็มีอกุศนพวกนิวรนี่แหละอยู่ข้อใดข้อหนึ่งบางทีก็เกิดหนุนเนื่องกันไปจน สับสนวุ่นวายแล้วเกิดอาการเครียดขึ้นมาประเด็นสำคัญในการประพฤติปฏิบัติก็คือว่าอย่าไปอยากได้มันจะอยากให้ได้วิตกิจา์ปิติสุเกเกตตานะเพราะอยากเนี่ยมันจะเป็นกามฉันหรือใจจะไม่สงบเพราะถ้าอยากก็จะไม่สงบ อยากให้สงบก็ต้องไม่อยากเรามีหน้าที่ทําเหมือนการปลูกพืชเป็นหน้าที่ของคนแต่การให้ผลเป็นหน้าที่ของพืชเราแยกกันทําหน้าที่แยกกัน ร, รับผิดชอบแยกการปฏิบัติเพื่อเกิดผลตามที่ตนต้องการต้องฟังทงังหล ในหลวงพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี